ที่คนเราจะนําพาชีวิตให้จเจริญงอกงามนะในทางธรรมหรือว่านําพาชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะจะต้องเป็นตัวเริ่มต้นนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความเห็นถ้าเกิดเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะ ที่จะนำพาชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามเพียงแค่จะปฏิบัติตามคามสอนพื้นฐานเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือละชั่วทำดีนะหรือที่พระองค์ตัดไว้ในโอวัตปตปฏิโมกขานียการไม่ทำบาต้องปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ย หรือแม้แต่การทำรัตติของตงนให้เขารอบเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานแรกสุดเลยเนี่ยคือความเห็นถ้าเห็นผิดเป็นชอบแล้วเนี่ยการที่จะละชั่วและทำดีเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นไปไม่ได้เลยความเห็นในที่นี้เนี่ยนะเรียกรวมๆวัาทิฐินะซึ่งก็รวมถึงความเชื่อด้วยแล้วก็ถ้ามันเป็นความเห็นที่ ประกอบด้วยปัญญานะเรียวกว่าสมาทิทฐิเนี่ยมันก็ช่วยนำพาชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องแต่ว่าลำพังความเห็นอย่างเดียวยังไม่พอนะมันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวรองรับสนับสนุนด้วยเนี่ยก็คือความรู้สึกนะ ถ้าความเห็นไปทางความรู้สึกไปทางนะหรือไม่สอดคล้องกันในการที่จะทำความถูกต้องดีงามให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนก็ยากนะและนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะของการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตัวเอง ในเรื่องความสำคัญโลกของความเห็นและความรู้สึกเนี่ยที่จะต้องไปด้วยกันเนี่ยอันนี้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ทรงตระหนักนะดังที่พระองค์ได้กล่าวว่าสมัยที่พระองค์เนี่ยยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังสแสวงหาทางดับทุกข์พระองค์ก็จัดว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแม้จะเห็นด้วยปัญญาว่า กามเนี่ยมีคุณน้อยมีโทษมากแต่ตราบใดาที่พระองค์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงฌานาสุขหรือความสงบที่สูงขึ้นไปเนี่ยพระองค์ก็ไม่มั่นใจว่าจะไม่เวียนกลับไปหากรารอีกนี่ขนาดเห็นแล้วนะว่ากรารมาคุณหรือว่ากามาสุขเนี่ย คือความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันมีโทษนะนะเห็นชัดเลยนะแต่พระองค์ก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าจะไม่หวนกลับไปหากามอีกจนกว่าจะได้เข้าถึงสุขที่มันประเสริฐนะซึ่งหมายถึงชา น, นสุข หรือว่าความสุขทางใจไอ้ความสุขทางใจนี่ก็หมายถึงอะไรนะหมายถึงความรู้สึกนะที่มันจะช่วยทำให้ไม่โหยหาอการ ม, มาสุขได้ถ้าว่ามีแค่ความเห็นแม้จะเห็นชัดว่าอากามนี่มีโทษแต่ว่าใจเนี่ยยังโหยหาความสุขทางกามหรือว่า ยังไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่มันประเสริฐได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเวียนกลับไปหาการอีกนะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วถึงความสําคัญของความรู้สึกนะว่าความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้สึกนะถ้าว่ารู้สึกได้ถึงความสุขนะที่ประเสริฐมันก็ไม่มีความรู้สึกโหยหานะการมาสุขอีก พอรู้ว่าหรือพอเห็นชัดว่ามันเป็นของที่ต่ำเป็นของที่หยาบต่อเมื่อทั้งความเห็นนะและความรู้สึกเนี่ยมันไปด้วยกันเนี่ยก็ทำให้พระองถึงจะมั่นใจได้ว่านี่จะได้ไม่เวียนกลับไปหากรามอันนี้พระอราหันต์ก็เหมือนกันนะพระอราหารนันต์ท่านก็ในแง่หนึ่งท่านก็มีความเห็นเล่นะว่ากามเนี่ยมันมีโทษมากมีโทษมากกว่าคุณ แล้วก็ทำให้คนเนี่ยนะหลงติดอยู่ในทุกข์แล้วก็อยู่ในวัฏฏะสงสารแต่ว่าท่านไม่ได้มีแค่ความเห็นชัดในเรื่องนี้เท่านั้นนะท่านยังได้พัฒนาความรู้สึกนะจนกระทั่งเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐความสุขที่เป็นทิพย์นะอันนี้แหละคือความแตกต่างน ะ, ะระหว่างพระอรหันต์พระเยซูเจ้าเนี่ยกับคนทั่วไป คนต่อไปความเห็นนะก็ยังเห็นว่ากามเนี่ยมันมีคุณมากมีโทษน้อยแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยก็ยังหลงไหลเพลิดเพลินในในกามแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดีที่ประเสริฐกว่ากามนั้นการทำความเห็น นะให้ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต่ว่าก็ต้องทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันพัฒนาไปในทางที่สอดคล้องกันด้วยถ้าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเรียนมาเยอะอ่านมาเยอะนะความเห็นเนี่ยก็สามารถจะเห็นนะถึงแก่นธรรม อย่างเช่นเห็นว่าเนี่ยตัวกลไม่มีนะตัวกูไม่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่ได้ศึกษาธรรมะฟังคาสอนครูบาอาจารย์หรือว่าอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีความเห็นนะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะว่าในตัวกูเนี่ยมันไม่มี หรือเห็นว่าเนี่ยไอ้ความยึดในตัวกูหรือยึดในความเชื่อมีตัวกูเนี่ยคืออัตตาทุปาทานเนี่ยมันเป็นเรื่งแห่งความทุกข์แต่ว่าในแง่ความรู้สึกเนี่ยก็ยัง ย, ยังมีความหลงยึดนะในตัวกูอยู่มีความยึดนะเกาะเกี่ยวสิ่งต่างๆทั้งรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นกูเป็นของกูเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการประพฤติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจาจะไม่ได้เป็นไปในทางที่ทำให้ออกจากทุกข์ได้ก็ยังจมอยู่ในความทุกข์มีอะไรกระทบ้วก็โดยพอกคำต่อว่าดาทอก็เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมานเพราะว่ายังมีความยินดียินร้าย ในคำสารเสริญและคำนินทาอย่างคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนักปฏิบัติธรรมก็มีความเห็นนะชัดเจนเลยนะว่าความโกรธไม่ดีความโกรธไม่ดีแล้วก็รู้ว่าเนี่ยโกรธแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรตามมาแต่ว่า ตราบใที่ความรู้สึกเนี่ยนะมันยังมีความยินดียินไลนะ่มีความยินดีในคําสรรเสริญมีความยิน้ายในคำำนําตําหนิมันก็ยังไม่สามารถที่จะหลีกหนีหรือเอาชนะความโกรธได้ก็รู้วโกรธไม่ดีนะแต่ว่าก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละมีเรื่องเล่าวันเนี่ย สมัยนึงเนี่ยหลวงปู่บุตธดาเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ให้ไปเทศคู่กับเจ้าคุณรูปหนึ่งนะเจ้าคุณรูปนี้ท่านก็เรียนมาสูงนะจบประโยค9นะสมัยนั้นเนี่ยการเทศธรรมะคู่เนี่ยก็เป็นของที่นิยมกันแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะที่จะมีการเทศคู่กันระหว่างเจ้าคุณนะที่มีประโยคที่จบประโยค9 กับพระหลวงตาเนี่ยซึ่งไม่ได้เรียนมาสูงเท่าไหร่แต่เจ้าคุณรูปนั้นเนี่ยนะเห็นหลวงปู่บุตรดาเนี่ยจะมาขึ้นท ร, รมาสคู่เนี่ยนะก็เกิดความดูแคลนนะเพราะเห็นว่าเรียนมาน้อยนะก็เลยอยากจะลองภูมินะ โดยการถามว่าเนี่ยท่านจะมาเทศเรื่องอะไรท่านก็บอกเนี่ยจะมาเทศเรื่องตัวโกโรธเรื่องกิเลสตัณหาเจ้าครูรุ่นั้นก็อยากจะลองภูมา่าแล้วตัวโกรธเป็นยังไงอ่ะนะหลวงปู่บุญดาก็ตอบขึ้นมาเลยสั้นๆ ส, ส, ส, ส, ส้นตีนไงโอ้เจ้าคุณนั่นโกโรธมากเลยนะโกโรธมากจนกระทั่งไม่ยอมขึ้นทำมาศเทศ ก็กลายไ ป, ไปว่า ง, งานนั้นเนี่ยหลวงปู่ก็เทศผู้เดียวพอท่านเทศเสร็จท่านก็ลงมาจากธรรมมานแล้วก็ลงมาขอโทษท่านเจ้าขุนนั้นแล้วก็บอกเนี่ยตัวโกรธมันเป็นอย่างนี้ไงมันทำให้หน้าแดงๆนะปากแข็งหรือว่าตัวแข็งเทศไม่ออกเนี่ยคือท่านเจ้าขุนรูปนั้นเนี่ยท่านก็รู้นะว่าความโกรธไม่ดีนะท่านก็ ให้คนให้ญาติโยมฟังมานักต่อนักแล้วนะว่าให้ความโกรดนี่ไม่ดีนะแล้วก็มันเกิดจากอะไรนะแต่ว่าความรู้สึกของท่านเนี่ยหรือภาวะจิตใจของท่านเนี่ยก็ยังมีความยินดีในคําสารเสริญมีความยินร้ายในคําตําหนิหรือว่าคําไม่สุภาพยังมีความพอใจนะในอ่า คำชื่นชมแล้วก็มีความไม่พอใจในคำที่ไม่แสดงคารวะแต่โดยที่ใจมันยังเพลิดเพลินยินดีในคำชื่นชมนะไม่ทวิหานหาความคำนินทานเนี่ยไม่ว่าจะมีความเห็นอย่างไรนะเกี่ยวความโกรธท้ายมันก็โดนความโกรธเล่นงานจนได้ ต่อเมื่อเนี่ยไม่ใช่แค่ความเห็นนะว่าโกรธไม่ดีแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยก็ไม่มีความยินดีร้ายนะกับความเห็นหรือคำพูดของผู้คนไม่ว่าเบิกหรือลบเนี่ยอย่างนั้นแหละนะถึงทำให้ใจเนี่ยเป็นอิสระจากความโกรธไอ้เรื่องนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราชาวพูดหรือผู้ฝ่ายทํานี่ต้อง ทำความชัดเจนในเรื่องนี้ให้ดีหลายคนเนี่ยฟังทำมาเยอะอ่านมามากนะจะเรียกว่ารู้ทำก็ได้แต่ว่าความรู้นั้นยังเป็นแค่ความเห็นนะสามารถจะพูดได้ถึงขั้นโลกุตตรธรรมปรมาทธรรมนะแต่ถ้าความรู้สึกเนี่ยยังอยู่ในระดับกุโลกียะเนี่ยมันก็การประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันก็ ยังไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยจเจริญงอกงามได้จริงถ้าเราดูนะในอริมางองแเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีการแยกออกมาเป็นสามส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความเห็นการพัฒนาความเห็นให้ถูกต้องนะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็การพัฒนาความรู้สึกนะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเนี่ยอันนี้คือ การพัฒนาความรู้สึกหรือภาวะอารมณ์ซึ่งมันก็จะนํานไปสู่ความการพัฒนาความประพฤติเนีสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมากัมมันตานี่เป็นเรื่องความประพฤติแล้วความประพฤติจะถูกต้องดีงามได้ต้องอาศัยความเห็นที่ถูกและความรู้สึกที่พัฒนาแล้วแล้วถาหากว่าความรู้สึกนะได้รัการพัฒนาเนี่ยมันก็ทําให้ความเห็นนั้น เจรงองามจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมาหรือทําให้สมมติธิระดับโลกียะหรือเรียกว่าโลกียะสัมมติธิพัฒนาเป็นโล ก, กุตระสมมติธิได้เนื่องจากเรดูอริยมรรควงแปดนี่ก็หนีไม่พ้ น, นการพัฒนาความเห็นความรู้สึกเพื่อนําไปสู่การพัฒนาความประพฤติเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ฟังทำอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอนะ มันยังเป็นการมันเป็นการพัฒนาเพียงแค่ส่วนเดียวเราต้องมีการปฏิบัติ ด, ด้วยนะเพื่อพัฒนาภาวะอารมณ์และทำให้ความสุขเนี่ยประนีตมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ได้พบหรือเข้าถึงความสุขที่ประนีตที่ประเสริ่กว่าการมาสุขหรือความสุขจากการเสพไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือ ความสุขที่ได้เสพลูกรถกลิ่นเสียงสัมผัสมันไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นนะที่ได้รับการพัฒนาให้ประณีตขึ้นมาจตรวมถึงความรู้สึกที่โปรง่งเบาอิสระนะจากการที่ได้ปล่อยวางนะสิ่งต่างๆไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนหรือไม่มีความสื่สที่เกาะเกี่ยวนะกับสิ่งต่างๆ ว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นของเรานะไม่มีความรู้สึกที่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆด้วยความสำคัญมันหมาเป็นตัวกู้ของกูเนะี่ยอันนี้มันต้องสายการปฏิบัตินะต้องสายการปฏิบัติมันจะช่วยขัดเกลานะจิตใจให้เจริญ ง, งอกงามมากขึ้นที่จริงการที่ความเห็นและความรู้สึกมันต้องไปด้วยกันเนี่ย มันไม่ได้สำคัญเฉพาะการปฏิบัติธรรมหรือว่าการนำพาช่วยให้เจริญงอกงามในทางธรรมเท่านั้นนะในทางโลกก็เหมือนกันนะในทางโลกเนี่ยชีวิตมันจะถูกต้องดีงามได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือสอดคล้องกันระหว่างความนี้กับความรู้สึกยกตัวอย่างเช่นเนี่ย เวลาพูดถึงเดี๋ยวนี้เราพูดกันเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะเราจําเป็นต้องมีการอนุรักษ์ป่ารักษาแหล่งน้ําในแง่หนึ่งต้องอาศัยความเห็นนะความเห็นว่าเนี่ยหรือความรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีคุณค่าธรรมชาตินี่มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีทธิพลอย่างไรต่อความผาสุขของคนเรา แต่ความเห็นมันยังไม่เพียงพอนะที่มันจะทำให้คนเนี่ยไปอนุรักษ์ธรรมชาติจนกว่าจะมีความรู้สึกที่สอดคล้องกันด้วยความรู้สึกที่ว่าคือความรักความห่วงใยธรรมชาติหรือว่าความทราบซึ้งในบุญือของธรรมชาติแม้จะอ่านมาเยอะเรียนมามากนะเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธรรมชาติเนี่ยแต่ถ้าใจมันไม่มีความรู้สึกรักห่วงใยธรรมชาติเนี่ย การที่จะไปอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าพอถึงเวลาที่จะเลือกระหว่างความสุขสบายส่วนตัวด้วยการมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากนะกับการที่อยู่แบบง่ายๆไม่ไปบีดเป็นธรรมชาติเนี่ยคนจำนวมากก็จะเลือกอย่างแรกนะเพราะว่ายังไม่ได้มีความรักธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็ยังมีความ เพลิดเพลินในความสุขจากสิ่งเสรซึ่งก็เกิดขึ้นได้จากการไปเบียดเบียนธรรมชาติหรือเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุปนเปื้อนการเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะเราก็นักเรียนเด็กๆเกยาวชนนี่ก็รู้นะว่าถูกสั่งสอนมาทั้งพ่อแม่ทั้งครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยการศึกษาความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งที่ดี เด็กหลายคนก็มีความเห็นนะว่าเนี่ยเออการเรียนเนี่ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยพัฒนาขึ้นได้และความเยียรมันเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะมีแต่ถ้าว่าความรู้สึกของเด็กเนี่ยเขายังไม่สามารถจะสัมผัสกับความสุขจากการเรียนได้รู้สึกว่าการเรียนเนี่ยเป็นยาขม แล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็หลไปในทางที่เพลิดเพลินยินดีกับคะแนหรือรางวัลจะให้เด็กเนี่ยขยันหมั่นเพียรในการเรียนก็ยากนะไม่ใช่ว่าเด็กไม่รู้นะว่าการเรียนไม่ดีแต่ว่าความสุขจากการเรียนเนี่ยนะเด็กไม่สามารถจะรู้สึกือสัมผัสมันได้เด๋ยวนี้เนี่ยเรารู้มากเรารู้เยอะแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาความรู้สึก ไม่ได้พัฒนาอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องการฝึกหัดขัดเกลานะซึ่งก็ไม่ใช่แค่เฉพาะอาศัยสมาธิภาวนายอย่างเดียวแต่อาศัยการได้ทดลองทำและไต่ ต, ตรองปรับรู้ถึงสิ่งที่ได้รับที่จริงอย่าว่าแต่การเรียนหรือเรื่องการรัธรรมชาติหรื แ, แม้กระทั่งเรื่องการห่างไกลาจากยาเสพติดเนี่ยเราบุรีเนี่ย คนจำนวนมากก็รู้นะหรือว่าเห็นนะว่าไอ้เล่าบุรีเนี่ยมันเป็นโทษมันก่อให้เกิดมะเร็งมันทําให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยนะหรือจิตใจเนี่ยมันก็ยังโหยหาวความสุขจากสิ่งเสพเหล่านั้นจากยาเสพติดเหล่านั้นจะให คนเหล่านี้เนี่ยทางไกลา ย, ยาเสพติดเนี่ยก็แต่เมื่อความรู้สึกของเขาเนี่ยมันสามารถเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐกว่ายาเสพติดเนี่ยความสุขจากการที่ได้รับความรักความอบอุ่นในครอบครัวความสุขจากมิตรภาพในหลายแห่งหลายที่เนี่ยพอให้ วัยรุ่นที่ติดยาเนี่ยนะมาทางกิจกรรมร่วมกันเช่นมาแข่งกีฬามีการพบปะสังสรรค์นสนุกสนานกับการที่ได้แข่งขันด้วยกันร่วมหัวโจมท้ายด้วยกันความอบอุ่นนะจากการมีเพื่อนมีมิตรภาพรวมทั้งความสุขจากการได้รับการยอมรับจากผู้คนแทนที่จะถูกลังเกียจเฉทัว จนกทังต่อไปหาความสุขอื่นมาชดเชยคือความสุขจากยาเสพติดแต่พอมีความสุขที่ดีกว่ามาแทนที่น ะ, ะคนเหานี้ก็ห่างไกลจากยาเสพติดไปเองเนะเพราะความสุขมันเพราะความรู้สึกมันได้พัฒนาขึ้นคือได้เข้าถึงความสุขที่ดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ใด้เป็นความสุขที่ประเสริฐในทางธรรมเท่าไหร่นะแต่เป็นความสุขแบบโลกโลกแต่มันก็ยังดีกว่าเช่นการที่ได้ มีมิตรภาพการที่ได้ร่วมหัวจมท้ายทำอะไรด้วยกันการที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นเดียวกันนะได้รับการอยอมรับเพราะว่าทำดีแล้วผู้คนก็สรรเสริญเนี่ยก็เกิดความอิ่มเอิบใจมันก็นทำให้นะเหินห่างวางมือจากยาเสพติดได้้เราคยได้ยินคำสํานวนที่ว่าเนี่ยดีชั่วรูปหมดแต่อดใจไม่ได้ ให้ดีช่วยรูปอ่อนเป็นเรื่องของสมองนะเป็นเรื่องความเห็นแต่ว่าใจาเป็นเรื่องความรู้สึกนะเราต้องพัฒนาทั้งหัวหรือสมองแล้วก็พัฒนาใจด้วยนัย่นจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องให้ความสําคัญกับทั้งสองอย่างควบคู่กันไปความเห็นก็ต้องเห็นอย่างถูกต้องส่วนความรู้สึกก็ต้องพัฒนา ในการที่เรามาเจริญสติมาทำสมาธิเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาความรู้สึกนะในง่หนี่ก็ทาให้เราได้เข้าถึงความสุขที่ประ น, นี้คือความสงบแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ทำให้นะจิตใจเราได้ได้เห็นนะว่าโอ้ไอการไอความทุกข์ทั้งหลายนี่นะถ้าเราไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเกาะถ้าใจไม่เข้าไปเกี่ยวกับมันหรือไปหลงติดมันนะ มันก็เกิดความโปร่งโล่งเบาสบายนะหรือว่าถ้ามีภาวะเห็นอยู่เรื่อยๆนะไม่เข้าไปเป็นจิตใจก็โปร่งโล่งมันก็ไปเสริมความเห็นนั้นเนี่ยให้เกิดให้พัฒนากายเป็นปัญญาขึ้นมาเนะข้าใจเรื่องนะว่า อารมณ์พวกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ก่อนมันก็แค่ได้ยินได้ฟังหรือแค่รับรู้มาว่าเออความกลัก ว, กวก็ไม่ใช่เราความเกลียดก็ไม่ใช่เราความทุกข์ก็ไม่ใช่เราแต่ใจเนี่ยมันมันเข้าไม่ถึงจนกระทั่งได้ปฏิบัติเพราะได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันได้เห็นด้วยใจของตัวเองในความเห็นที่เคยมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นความเห็น ในระดับหัวสมองแลยนะแต่มันกลายเป็นปัญญาที่เกิดจากการประจักษ์แจ้งให้ในแง่ในความรู้สึกมันช่วยช่วยพัฒนาความเห็นให้กลายเป็นปัญญาแล้วขณะเดียวกันปัญญามันก็ช่วยพัฒนาความรู้สึกให้ให้ปันิษฐนะให้จิตใจเนี่ยเกิดความโปร่งเบามากขึ้นรู้จักปล่อยรู้จักวางได้มากขึ้นอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะถ้าว่าเรารู้จักคิดอย่างถูกวิธีเนี่ย ใจเราก็จะโปร่งโล่งเบาสบายอะไรมากระทบก็ไม่ทุกข์อย่างที่เคยเป็นนะเพราะว่ามันมีการคิดที่ถูกวิธีเสียงมาเสียงดังกระทบหูนะก็ไม่ก็ไม่เป็นทุกข์นะเพราะไม่ได้มองมันเป็นเสียงดังนะแต่ว่ามันเป็นอนะ่สิ่งที่มาฝึกจิตฝึกใจของเรารวมทั้งคำตาหนิด้วยนะคำตาหนิเนี่ย มันไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่มาทิมแทงอัตตาหรือกระทบอัตตาแต่ว่ามันกลายเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราหรือเป็นแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความอดทนพัฒนาขันติหรือว่าทำให้มีสติมากขึ้นมันก็ช่วยเสริมกันนะความรู้สึกก็ไปเสริมความเห็นให้กลายเป็นปัญญาแล้วขณะเดียวกันความคิดถูกวิธีเนี่ย คือความเห็นชอบเนี่ยมันก็พัฒนาความรู้สึกให้ประณีตแล้วก็ให้โปร่งเบากลายจากความทุกข์ได้มากขึ้นในการพัฒนาตนเนี่ยเราต้องนะให้ความสําคัญทั้งสองประการเนี่ยความเห็นความรู้สึกแล้วมันจะนําไปสู่ความประพฤติที่ถูกต้องดีงามเป็นความเจริญงอกงามทาั้งทางรอดทางธรรมได้คำนิยมเกิดทันี้นะ